ความจริงคุณสมบัติฝ่ายหมดและฝ่ายมีนี้ว่าโดยสาระสำคัญก็เป็นอย่างเดียวกันกล่าวคือจะละสักยะทิฏฐิได้ก็เพราะมีปัญญาอย่างรู้สภาวะธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยพอสมควรเมื่อเกิดปัญญาเข้าใจชัดขึ้นอย่างนี้วิจิกิจฉาคือความสงสัยคลางแคลงใจก็หมดไปศรัทธาที่อาศัยปัญญาก็แน่นแฟ้น พร้อมนั้นก็จะรักษาศีลได้ถูกต้องตามหลักการตามความมุ่งหมายกลายเป็นอริยกันตศีลคือศีลที่อริยะชื่นชมยอมรับศิลลตะประาปรมาสก็พลอยสิ้นไปเมื่อจาคะเจริญขึ้นมัชฌริยะก็หมดไปเมื่อราคะโทสะโมหะเบาบางลงก็ไม่ตกไปในอำนาจของอคติ และราคะโทสะโมหะเบาบางลงก็เพราะปัญญาที่มองเห็นความจริงของโลกและชีวิตทำให้คลายความยึดติดเมื่อสิ้นยึดติดถือมั่นน้อยลงความทุกข์ก็ผ่อนคลายและรู้จักความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นกล่าวโดยย่อว่าความเป็นโสดาบันเป็นชีวิตระดับที่ยอมรับได้ว่าน่าพอใจและวางใจได้ ทั้งในด้านคุณธรรมและในด้านความสุขในด้านคุณธรรมก็มีคุณความดีเพียงพอที่จะเป็นหลักประกันว่าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนเสื่อมโทมเสียหายเป็นภัยแก่สังคมหรือแก่ใครๆตรงข้ามจะมีแต่พฤติกรรมที่อำนวยประโยะน์เกื้อกูลแก่การดำรงอยู่และดำเนินไปด้วยดีของชีวิตตนและสังคม และคุณธรรมนั้นก็มั่นคงเพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปเองตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยของมันคือเพราะมีปริชาญาณที่ทำให้เกิดทัศนคติอย่างใหม่ต่อโลกและชีวิตเป็นฐานรองรับส่วนในด้านความสุขพระโสดาบันก็ได้พบกับความสุขอย่างใหม่ทางจิตที่พระนิตล้ำลึกอันประจักษ์เฉพาะตนว่าเป็นสิ่งมีคุณค่าสูงล้า ซึ่งแม้ตนจะยังสวยกามสุขและหรือโลกิยสุขอื่นๆอยู่ก็จะไม่ยอมให้ความสุขที่หยาบกว่าเหล่านั้นเกินเลยออกนอกขอบเขตซึ่งจะเป็นเหตุบัญรอนความสุขที่ปราณีตคือจะไม่ยอมสละโลกุตระสุขอันปราณีตเพื่อมาเติมส่วนขยายปริมาณให้แก่โลกิยสุขอันหยาบกว่าอีกต่อไปพูดอีกนัยะหนึ่งว่ากามสุขและโลกิยสุขอันหยาบ ถูกทำให้สมดุลด้วยโลกุตระสุขอันปราณีตความสุขนี้เป็นทั้งผลและเป็นทั้งปัจจัยพันเนื่องอยู่ด้วยกันกับคุณธรรมที่ประพฤติจึงเป็นหลักยืนยันถึงความไม่ไหลเวียนกลับลงตามอีกต่อไปมีแต่จะช่วยคำชูส่งเสริมให้ก้าวสูงขึ้นไปในเบื้องหน้าความเป็นโสดาบันมีคุณค่าเป็นที่น่าพอใจ ทั้งแก่ตัวบุคคลนั่นเองและแก่สังคมอย่างนี้ท่านจึงจัดผู้บรรลุโซดาปฏิพลเป็นสมาชิกชุดแรกเข้าใหม่ของชุมชนอาริยะเป็นจุดเริ่มต้นที่ชีวิตอาริยะชนเริ่มแรกนับเนื่องในอริยสงฆ์หรือสาวกสงฆ์ที่แท้อันเป็นสังคมแม่พิมพ์ที่พระพุทธศาสนามุ่งประสงค์จะใช้เป็นแบบหล่อหลอมมนุษยชาต